Thank you. วันที่ห้าชูชกมีเจ็ดสิบเก้าพระคาถาคาถาการิงครัเถคุณวิทธะพระมัครามวาสีชูชโกนามะพราะมนกหาปณะสตังระภิตวาเอกสมิง พรามนากุเลพะเปตตวาปณะทนังปริเยสนัตธายะขะโตติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนากระแดงพระสัทธรรมเทศนาในเวสันดรชาดกชูชกกันที่ห้าสืบอนุสนธิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องกระดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ดำเนินเนื้อความตามกระแสะวาระพระบาดีความว่าในเวลาที่กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์คือพระเวสสันดรพระนางมาัตสีและพระชารีกันหาประทับอยู่ในบรรณศาลาที่เขาวงกฎเพื่อประพึกทธบำเพ็ญเนคขมะบารมีอยู่นั้นและในการนั้นมีทรามผู้หนึ่งนามว่าชูชกเป็นคนยากจน ขอทานอยู่ในบ้านพราหมณ์นามว่าทุนนะวิชะในแว่นแคว้นกาดิงคาราชได้เลี้ยงชีพโดยการขอทานได้สะสมจับไว้หนึ่งร้อยกระหาพณะที่ตนขอทานมาได้แล้วนำไปฝากไว้ที่ตรกูลพราหม์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบพอคันเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการแสวงหาทรัพย์ต่อไปครั้นฝากจับไว้แล้ว จึงไปเที่ยวขอทานตามบ้านน้อยเมืองใหญ่อีกและเมื่อชูโชคได้เที่ยวขอทานไปนานตระกูลพราหมณ์นั้นก็ได้ใช้จ่ายทรัพย์ที่ชูโชคฝากไว้จนหมดสิน้นในเวลาที่ชูโชคกลับมาทวงคืนก็ไม่สามารถที่จะให้ทรัพย์เหล่านั้นคืนแก่ชูโชคได้ก็เลยยกธิดาของตนซึ่งมีนามว่าอมิตตดาในคำพีกุตถกนิกายชาดก เรียกชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าอมิตรตาปนาคำว่าอมิตรแปลว่าผู้ไม่ใช่มิตรหรือแปลว่าศัตรูอาตาปนาแปลว่าการเผากิเลสหรือการทรมานเพราะฉะนั้นอมิตรตาปนาจึงแปลว่าผู้ย่างกิเลสให้เล่าร้อนเมื่อพราหมณ์สองสามีภรรยาได้ยกธิดาของตนคือ น, นางอมิตรดาให้แก่ชูโชคไป พราหมูชูชกก็พานางอมิตตดากุมาดีนั้นไปอยู่ในเรือนของตนซึ่งอยู่ในบ้านทุนนวิทธครามในแว่นแควนการิงคารัตกลายนางอมิตตดาผู้มีวัจจริยาเป็นอย่างดีนับตั้งแต่เมื่อได้ไปอยู่กับเท่าชูชกแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติชูชกเป็นอย่างดีพวกพรามหม์หนุ่มๆในบ้านทุนนวิทธครามนั้น ได้เห็นนางอมิตตดาปฏิบัติแก่ชูชกพราหมณ า, าผู้เป็นสามีอย่างดีเช่นนี้แล้วต่างคนก็พากันดุดาภรรยาของตนว่าเจ้าทั้งหลายจงดูเยี่ยงอย่างนามอมิตตดาผู้มีจริยวัตนอันงดงามเขาปฏิบัติพราหมณชาราเป็นอย่างดีเสมอมาโดยไม่มีความรังเกียจแต่เหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ใส่ใจปฏิบัติกำรังดูแลเราให้เหมือนกับนางอมิตตดาบ้าง รันดุดาว่ากล่าวดังนี้แลว้วบ้างก็พากันลงมือทุบตีภรรยาของตนเมื่อภรรยาของพวกพรามหมณ์หนุ่มๆเหล่านั้นได้ถูกสามีด่าว่าทุบตีด้วยอาการต่างๆหนังที่ได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างแลว้วจึงพร้อมใจกันคิดว่าการที่พวกเราถูกสามีด่าตีก็เพราะนางอมิตตานั่นเองเป็นต้นเหตุพวกเราควรที่จะกำจัดนางอมิตตา ให้ไปเสียจากหมู่บ้านนี้เพราะถ้านางอมิตตดาอยังอยู่ร่วมตาบลกับพวกเราตราบใดพวกเราก็จะถูกสามีด่าว่าอยู่ตราบนั้นครั้นคิดกันอย่างนี้แล้วจึงพากันไปชุมนุมลุมด่า น, นางอมิตตดาอยู่ในสถานที่ต่างๆมีท่าน้ำเป็นต้นครั้นได้ประสบพบเห็นแล้วก็พาการห้อมร้อมดุด่าว่านางอมิตตดา ด้วยท้วทอยคำที่รุนแรงเป็นต้นว่าดูก่อนเจ้านางตัวดีเจ้ายัางเป็นสาวแร่รุ่นดารุนีรูปโฉมก็งดงามเช่นนี้สมันมานดาบิดาช่างยกให้แก่พรามสราได้อย่างไม่อายใจพวกเราเข้าใจว่ามานดาบิดาของเจ้าคงเป็นศัตรูของเจ้าเป็นแน่แท้ทั้งพวกญาติของเจ้าก็ช่างกะไรเลย ไม่มีเมตตากรุณาต่อเจ้าเสียบ้างเลยช่างทาการมุกงิดยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวให้แก่พรามเท่าเห็นป่านนี้ดูเป็นที่หน้าบัตียิ่งนักเมื่อคิดดูแล้วก็เห็นได้ว่าพ่อแม่พี่น้องของเจ้าไม่มีความเมตตาปราณีเจ้าเสเลยนี่แน่แม่อังนิตดาเอย๋ยพวกเราขอบอกให้เจ้าทราบว่าอันการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ ย่อมเป็นการหน้าคลื่นไส้ไม่ชุ่มชื่นการที่เจ้าได้สามีเช่นนี้ไม่ดีเลยถ้าตัวเจ้าตายไปเสียจะดีกว่ามารดาบิดาของเจ้าคงจะหาชายอื่นให้เป็นสามีเจ้าไม่ได้เป็นแน่แท้จึงได้ยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวเป็นแท้ให้พรามแก่หินตาลชนิบางทีเมื่อชาติก่อนเจ้าคงจะทําการบูชายันไว้ไม่ดีในวันดิถี ดแรมเก้าข่ำหรือขึ้นเก้าข่ำก้อนข้าวที่เจ้าใช้ในการบูชานั้นเห็นทีจะมีกาแก่คาบไปเสียเป็นแน่หรือบางทีเจ้าไม่ได้บูชาไฟไว้ในชาติก่อนก็เป็นได้บางทีเจ้าคงจะได้ด่าสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลผู้เป็นหูสูตรธงธรรมวินัยไว้ในชาติปามก่อนเป็นแน่แท้เจ้าจึงได้สามีแก่เช่นนั้นนี่แนะ่ เจ้าอมิตธดาทุกต่างๆในโลกนี้คือทุกขที่ถูกงูกัดก็ดีทุกที่ถูกแทงด้วยหอกก็ดีก็ยังไม่จัดว่าเป็นทุกข์อันการที่ได้เห็นสามีแก่นั่นแหละจัดว่าเป็นทุกแท้และเป็นทุกข์อย่างร้ายกาดหน้าอนาจใจการได้สามีแก่เป็นทุกขอย่างไรนั้นพวกเราจะชี้แจงให้เจ้าฟัง คือการเล่นหัวกับสามีแก่ก็ดีการรื่นรมกับสามีแก่ก็ดีการเจรจาปาใสกับสามีแก่ก็ดีไม่มีรสชาติไม่มีความเจริญใจแต่อย่างใดถึงการหัวร่อต่อกริกก็ไม่ทําให้เพลิดเพลินเจริญตามองดูหน้าสามีแก่ในเวลาหัวร่อย่อมเป็นเหมือนสามีแก่นั้นกําลังหลอกหลอนอยู่ จะดูปากสามีแก่ในเวลากินข้าวก็น่าคลื่นไส้เพราะคนแก่ไม่มีฟันเวลาเคี้ยวข้าวย่อมทำปากมุบ ม, มุบมามับเวลากินหมากน้ำไหลก็ไหลออกมาทั้งสองกระพุ้งแก้มเวลาแย้มหัวก็เหมือนกับผีหลอกจะดูที่ไหนก็น่าเกลียดทั้งนั้นอันสามีแก่นั้นสารพันไม่มีอะไรดีแก้มก็ตอบผิวหนังก็เหี่ยวย่น ผมก็งอตัวก็โคง้งสัมผัสก็ขุกคระจะทำอะไรก็งุ้ม ง, ง่ามน่ารำคาญตายิ่งเวลานอนอ้าปากก็ยิ่งดูเหมือนกับผีาตายซากมีลมออกจากปากปานเป่าไปอ้าปากพูดก็น้ำลายไหลเวลาหัวเราะ ก, ก็เหมือนกับร้องไห้เพราะเผยให้เห็นฟันที่หักดูเป็นที่น่าบัดสียิ่งนักถ้าเป็นพวกเราแล้วจะต้องไปตายเสียดีกว่า เพราะถึงจะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขใจสุขกายแต่เหตุใดเจ้ายังมัวเมาหลงลักตาแก่เช่นนี้หรือเจ้าหมดหนทางที่จะหาสามีหนุ่มไว้เป็นคู่ชุ่มชื่นเจริญใจแล้วหรือนี่น่แม่อมิตรดาเอ๋ยธรรมดาสามีหนุ่มภรรยาสาวเมื่อพูดจาเย้ยหยอกกันอยู่ในห้องหับที่รับตาคนใจขอย่อมผ่องแผ้วลืมทุกข์ ปรญหาความทุกโศกทั้งสิ้นย่อมหมดไปอันสามีหนุ่มภรรยาสาวนั้นย่อมทําให้ปลื้มใจหาสิ่งใดจะเปรียบตานม่ได้ส่วนตัวของเจ้าก็ยังเป็นสาวอยู่จะต้องมีชายหนุ่มประสงค์เจ้าอีกมากหลายเจ้าควรจะหาอุบายไปขออยู่กับหมู่ญาติเพื่อหาชายหนุ่มมาเป็นสามีให้ชุ่มชื่นใจเธ อ, อย่าได้มามัวหลงเพลิดเพลินอยู่กับไอ้เท่าชราคนนี้อีกต่อไปเลย รั้นนางอมิตรดาถูกนางพรามณีเหล่านั้นด่าว่าเสียดสีด้วยประการดังนี้แล้วนางก็เกิดความอับอายได้หยิบฉวยหม้อน้ำเดินร้องไห้กลับไปสู่เรือนของตนรั้นเท่าชูชกได้เห็นก็รีบร้องถามแต่ไกลว่าแม่อมิตรดาร้องไห้ทำไมนางอมิตรดาตอบว่าร้องไห้เพราะชาวบ้านมันพากันมารุมด่าว่าข้าพเจ้า โดยเหตุที่ข้าพเจ้าได้ท่านผู้ซึ่งชราเป็นสามีข้าพเจ้าจึงได้รับคำด่าว่าเสียดสีด้วยประการต่างๆต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ไปตักน้ามาให้ท่านกินและอาบอีกต่อไปแล้วเจ้าชูชกจึงตอบว่าไม่เป็นไรแม่อมิตรดาเ อ, อ๋ยเจ้าอย่าทำงานบ้านเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เจ้าจะได้ลำบากไปตักน้ำมาให้ฉันอาบเลยฉันจะไปตักน้ำเองเจ้าจะได้เดือดร้อนอนาถไปเลยอยู่กับบ้านให้สบายใจเถิดการงานทุกสิ่งสับที่จะจัดการเองฝ่ายนางอมิตรดาจึงตอบว่าที่ท่านกล่าวมาเช่นนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าสกุลใดที่ใช้สามีเหมือนเช่นกับทาสสกุลนั้นย่อมไม่มีความเจริญ ข้าพเจ้าก็ไม่พึงปรารถนาที่จะกระทำเช่นนั้นและข้าพเจ้าไม่ได้เกิดในตะกูลที่ใช้สามีต่างชาติมารดาบิดาปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ใช้สามีให้ตักน้ำมาให้อาบข้าพเจ้าจะใช้ท่านต่างชาตินั้นไม่ได้เป็นอันขาดและถ้าท่านกระทำเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไม่ยินดีที่จะอยู่ร่วมเรือนกับท่านอีกต่อไปถ้าท่นรับเมตตาข้าพเจ้า ขอให้ท่านจงไปหาทาตทาสีมาให้ข้าพเจ้าช่วงใช้ข้าพเจ้าจึงจะยอมอยู่กับท่านแต่ถ้าท่านไม่ไปหาทาตทาสีมาให้ข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้าก็จะไม่อยู่ร่วมกันกับท่านอีกต่อไปเท้าชูโชกจึงตอบว่าแม่อมิตรดาเอย๋ยอันการที่จะให้พี่ไปเที่ยวหาทาตทาสีนั้นย่อมจนใจเพราะพี่ไม่มีศิลปะวิทยาอย่างใดเป็นคนโง่เขลาบาปัญญา ทั้งทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอันใดที่พอจะไปไถ่าทาตทาสีมาให้เจ้าช่วงใช้ก็ไม่มีด้วยที่ตั้งใจไว้ว่าจะยอมตัวให้เจ้าใช้ตามทาตทาสีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปที่จะอุตสาหะพยายามบำรุงเลี้ยงน้องไปมิให้อนาทรร้อนใจสิ่งใดขอเจ้าจงอยู่ให้เป็นสุขสําราญแต่ในเรือนหลังนี้เถิดครั้นได้สดับ ตรับฟังคำของเท่าชูชกผู้เป็นสามีแล้วในเวลานั้นด้วยอำนาจเทวดาได้โดนใจนางอมิตรดาให้แนะนำเท่าชูชกเพื่อให้ไปทูลขอซึ่งพนอทน้อยสองกษัตริย์คือพระชาลีกันหาชินานาจนางอมิตรดาจึงแนะนำเท่าชูชกขึ้นว่านี่เนี่ยตาเท่าพระพเจ้าจะบอกให้ท่านทราบตามที่ข้าได้สดับมา คือเวลานี้พระเวสสันดรผู้เป็นยอดทา น, นบดีพระองค์พร้อมทั้งพระอัครมเหสีและพระโอรสธิดาได้ถูกเนรเทศออกจากเมืองไปแล้วไปประทับอยู่ที่เขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญพรดพรมวิหารท่านจงไปทูลขอพระนอ ก, กัตรย์คือพระโอรสธิดาของท้าวเธอมาให้เป็นาทาสทาสีของเราให้ได้ในไม่ช้า เมื่อท่านเข้าไปทูลขอคงจะทรงพระราชทานให้เป็นแน่แท้ไม่ลำบากเลยเท่าชูชกจึงตอบว่าแม่อมิตรดาเอย๋ยแม่จะใช้ให้พี่ไปตายเสียปเปล่าเพราะพี่นี้เป็นคนชราทุกพลภาพแล้วร่างกายก็ไม่สมประกอบอีกทั้งเขาวงกฎนั้นระยะทางก็ไกลแสนไกลทุกยากแสนลำบากแม่อย่าคิดให้วุ่นวายไปเลย ที่จะปฏิบัติให้แม่มีความสุขสําราญยิ่งกว่าพวกหญิงที่ได้สามีหนุ่มๆอีกหลายเท่าแม่อมิตรดาเอ๋ยอันธรรมดาหญิงที่มีปัญญาแล้วเขาย่อมไม่เห็นแก่ความสุขทางตาเพราะความสุขความรื่นรมทางตานั้นเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่โยกครอนวันไหวสุขตาในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะทุกข์ใจ ขอแม่จงดูพวกปรมณีที่ได้สามีหนุ่มๆซึ่งมีในตาชุ่มชื่นด้วยน้ำตาน้นเป็นตัวอย่างเถิดคือธรรมดาสามีหนุ่มเขาย่อมไม่อัศาจรรย์อะไรกับภรรยาเขาถือเสีว่าธรรมดาภรรยาย่อมเป็นเหมือนของอยู่กับพกผ้าต้องการเวลาไหนก็ได้เวลานั้นไม่ลําบากยากเย็นอันใดเมื่อใดผิดใจเขาขึ้นมา เขาย่อมด่าว่าทุกตีเอาตามชอบใจนี่นาซ้าสามีหนุ่มอาจเที่ยวมีคู่รักหรือภรรยาน้อยต่อไปได้อีกฝ่ายภรรยาเล่าก็ได้แต่กินน้ำตาอยู่ในบ้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกผู้หญิงที่มีปัญญาเขาจึงหาแต่ความสุขใจแม่อมิตรดาเอ๋ยอันความสุขใจนั้นย่อมดีกว่าความสุขตา หญิงมีสามีแก่นักปราดว่ามีบุญแท้หาได้ยากเพราะไม่ช้าสามีแก่ก็จะตายไปทรัพย์สมบัติสิ่งใดที่มีอยู่ก็จะต้องตกเป็นของตนทั้งนั้นท่านผู้เท่าจึงได้กล่าวไว้ว่าเลี้ยงช้างประสงงาคือผู้ที่เลี้ยงช้างนั้นเมื่อช้างตายก็จะได้งาไปซื้อขายเหมือนกับได้ชายแก่ไว้เป็นสามี เพราะเมื่อสามีตายก็จะได้รับมรดกไว้เป็นกําไรอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นแหละแม่อมิตรดาเอย๋ยเจ้าด่าเดือดร้อนวุ่นวายไปเลยถ้าเจ้าจะขืนให้พี่ออกไปบุก ป, ป่าพนาลีเพื่อให้ทูลขอสองกันหาชาลีที่เขาวงกดแล้วก็เป็นอันว่าเจ้ากแกลงจะฆ่าพี่เท่านั้นทั้งตัวพี่ก็เห็นว่าไม่สามารถจะไปได้ด้วยแก่เท่าหมดกําลัง ขอเจ้าจงทราบด้วยในดังที่พลนามานีเถิดฝ่ายนางอมิตตดาพรามณีรันได้ฟังคำของจูชกผู้สามีดังนั้นก็โกโรธเคืองขัดเท้นนักหนาจิงกะวาจาประชดประชันว่านี่เนี่ตาเท้าเราจะพูดให้ฟังคือธรรมดาคนที่ขี้ขลาดแล้วยังไม่ทันถึงสนามรบเพียงแต่เห็นปลายธงของท่าสึก ก็ย่อมยอมแพ้เสร็จแล้วยังไม่ทันได้เห็นป่าก็กลัวเสือเสร็จแล้วตัวท่านจะตายหรือไม่ไปก็ตามเราจะขอบอกเป็นคําขาดว่าถ้าท่านไม่ได้ทาอุหราสีมาให้เราใช้เราก็จะไม่อยู่กับท่านอีกต่อไปและข้าพเจ้าก็จะกระทําความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นกับท่านโดยในยามที่มีงานนักขัดต่เลิกข้าพเจ้าก็จะแต่งตัวให้สะสวย เดินร่วมไปกับพรามหนุ่มๆให้ชุ่มชื่นสำราญใจเมื่อท่านเห็นก็จะเป็นพุกหนักยิ่งขึ้นเพราะพระพลากจากข้าพเจ้าร่างกายที่งออยู่แล้วก็จะงอหนักขึ้นผมที่งอกอยู่แล้วก็จะงอกมากขึ้นขอท่านจงจำไว้ว่าถ้าท่านไม่ได้พระชาลีกันหามาเป็นทาสทาสีให้ข้าพเจ้าช่วงใช้ข้าพเจ้าก็จะต้องไปจากท่านในเวลานี้เป็นแน่ ครันตาชูชกพรามเท่าได้ฟังถ้อยคำของภรรยาดังนี้ก็รู้สึกะหนกตกใจกลัวหวาดหวั่นใจเป็นนักหนาเพราะตนนั้นหลงไหลตกอยู่ในอำนาจของภรรยาสาวมีความรัก บ, บีบคั้นหัวใจเป็นกำลังคิดว่าจะเป็นดังภรรยาสาวพูดไวจ้จริงจริงจึงได้กราวรับคำขึ้นดังๆว่าแม่อมิตรดาเอ๋อยถ้าอย่างนั้น เจ้าจงจัดแจงสเสบียงเดินทางให้เราจะได้ช้าทั้งขนมนาขนมอ้อยและน้ำพึ่งอีกทั้งสตูก้อนสตูผงจงบรรจงจัดให้ดีเราจะไปทูลขอพระกุมารกุ ม, มารีสองพี่น้องมาให้เป็นทาสรับใช้บำรุงบำเรอเจ้าให้มีความสุขสมดังปรารถนาฝ่ายนางอมิตรดาคันได้ฟังคำสามีดังนี้แล้วก็ดีใจ จัดแจงสเสบียงเดินทางให้แก่ตาเท่าชูชกโดยเร็วพรานไม่เนิ่นช้าฝ่ายว่าตาเท่าชูชกก็รีบจัดแจงซ่อมแซมเคหสถานให้มั่นคงแข็งแรงทั้งประตูบ้านก็ซ่อมแซมเสร็มใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ววแล้วไปเที่ยวหาปืนตักน้ำมาไว้ในบ้านเรือนให้เพียงพอเพื่อประสงค์จะไม่ให้ภรรยาสาวของตนต้องออกไปทำ ง, งานนอกบ้าน ด้วยกลัวว่าภรรยาจะลำบากภายหลังครั้นจัดการสําเร็จเรียบร้อยแล้วจึงแต่งตัวเป็นดาบทุ่งห่มเหมือนกับผู้เจริญพรตพรมวิหารจึงสั่งภรรยาว่าดูก่อนอมิตรดาผู้ยอดกัลยานับแต่การนี้ไปแม่อย่าได้ออกจากบ้านในเวลาค่ําคืนแม่อย่าได้ประมาทในการระวังตัวจนกว่าพี่จะกลับมา รั้นสั่งเสียดังนี้แล้วก็สวมรองเท้าสะพายถุงยาง่ามอันบรรจุเสเบียงสำหรับเดินทางแล้วกระทำประทักษิณเดินเวียนรอบนาำอมิตตดาจนครบสามรอบแล้วเดินออกจากบเรือนมีใบหน้าที่อาบด้วยน้าําตาดูเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักรั้นพ้นจากบริเวณบ้านแล้วจึงบ่ายหน้าตรงไปสู่เชตุดร น, นคร อันเป็นเมืองที่มั่งคั่งของชาวสีพีโดยมีความอุตสาหะอันแรงกล้าครั้นเข่าชูชกได้ไปถึงเมืองของชาวสีพีแล้วได้แลเห็นประชุมชนในสถานที่ใดก็ตรงเข้าไปในสถานที่นั้นแล้วถามว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายบัดนี้พระเวสสันดรผู้เป็นหนอกษัตริย์ซึ่งปราศจากความตระณีพระองค์ประทับอยู่ในสถานที่ใด ขอท่านทั้งหลายจงบอกเราด้วยเถิดฝ่ายมหาชนจึงตอบว่าดูก่อนพรามบัดนี้พระนอกรัชก์ขัติยาทิบดีซึ่งถูกพวกแกรบกวนในทางขอทานจนถึงกับพระองค์ได้พระราชทานคติสารปัจญนาคตัวประเสริฐให้แก่พวกเจ้าแล้วพระองค์ได้ถูกในประเทศเสียจากบ้านเมืองบัดนี้พระองค์พาพระราชโอรส ธ, ธิดาและพระชายา ไ่ประทับอยู่ในเขาวงกฏนู้นดูก่อนตาพรามพวกเจ้าทำให้นายของเราถึงกับซึ่งความที่นาศต้องถูกในประเทศอย่างนี้แล้วเจ้าจะยังมาขืนยืนอยู่ที่นี่อีกหรือว่าดังนี้แล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นต่างพาการจับไม้ค้อนก้อนดินไล่ทุบตีชูชกพรามให้หนีออกจากพระนครไปครั้งนั้น เทวดาก็เข้าโดนใจชูชกให้วิ่งงกงกเนื่นๆไปถูกทางที่ซึ่งจะไปยังเขาวงกฏเท่าชูชกก็สู้สะกดใจไปตามหนทางนั้นเพราะเท่าชูชกตกอยู่ในอำนาจของความสเสน่หาจึงถูกนางอมิตตดาพรามณีบังคับให้ได้สวยทุกข์ด้วยภัยต่างๆอันมีอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยสัตรรว์ร้ายมีรร่ และสือเหลืองเป็นต้นเท่าชูชกก็ถือไม้เท้าสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกทั้งเครื่องบูชายันและกระบอกน้ำกินด้นดันเข้าไปในราวป่าเดินไปพรางร้องไห้ไปพรางด้วยความรักตัวกลัวตายเดินทางไปนับเวลาได้หลายสิบราตรีซึ่งมีกำหนดขนทางจากเชตูดอนราชธานีไปได้สี่สิบห้าโยชน์เป็นประมาณ เท่าชูชกก็บรรลุถึงแนวป่าที่พรานเจตบุตรดูแลอยู่ในขณะที่ถึงราวป่านั้นได้ถูกพวกสุนัขของพรานเจตบุตรร้องไล่เสียงระงมไปเท่าชูชกจึงร้องเสียงหลงทางเดินถอยหลังออกห่างไกลสุนัขก็ล้อมไล่กระชั้นเข้าไปตาพรามชูชกจึงหนีขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไม้ แล้วร้องไห้โอดครวญหาพระเวสสันดรด้วยหวังจะยึดเอาพระคุณของพระเวสสันดรเป็นที่พึ่งในยามทุกข์ยากจึงออกปากกล่าวรำพันว่าโอ้พระเวสสันดรผู้หาความตรณีไม่ได้ผู้ช่วยหมู่สัตว์ให้พ้นภัยผู้เป็นที่พานักอาศัยของพวกยาจกเหมือนกับพื้นปฐพีอันเป็นที่พานักของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่ไปเข้าแห่งเหล่ายาจก เหมือนกับมหาสมุทรสาครนซึ่งเป็นที่ไหลไปแห่งแม่น้าทั้งหลายฉะนั้นอีกประการหนึ่งพระองค์ผู้เป็นดุจตะน้ำอันมีท่าราบลื่นดารดาไปด้วยประทุมชาติหลายประการเปรียบเหมือนเป็นต้นไม้ต่างๆคือต้นโพต้นไทรต้นรังและต้นไม้อื่นๆซึ่งอยู่ใกล้ทางมีร่มเงาเย็นสบายย่อมเป็นที่อาศัยของคนที่เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกลมาฉันไทยพระเวสสันดรมหาราชเจ้าก็ฉันนั้นเีรานี้พระองค์ประทับอยู่ในที่ไหนหนอถ้าใครรู้ที่อยู่จงช่วยบอกแก่ข้าพระเจ้าอย่าอําพรางเมื่อข้าพระเจ้าตกอยู่ในกลางป่าไพรได้รับความลำบากขอให้ช่วยเหลือข้าพระเจ้านี้ผู้ใดบอกข้าพเจ้าเพียงคำเดียวว่าเรารู้จักที่ประทับของพระเวสสันดร ด้วยถ้อยคำคำเดียวเท่านี้แลผู้นั้นก็จะได้บุญไม่น้อยเลยเมื่อพรานเกตบุตรผู้ชำนาญพราได้รับหน้าที่ให้รับสาดานกาลังเที่ยวล่าเนื้ออยู่ในป่าได้ยินเสียงพร่ำรำพันของเท่าชูชกดังนั้นจึงค่อยๆแอบเข้าไปใกล้และเมื่อได้เห็นชูชกร่ำร้องไห้ที่ไรยวนถึงพระเวสสันดรดังนี้ ก็โกรธจัดและคิดว่าเจ้าพรามค์คนนี้คงจะไม่มาดีเป็นแน่มันคงจะมาขอพระนางมัตตีหรือไม่ก็พระชารีกันหาเราจะฆ่ามันเสียให้ตายจะให้มันล่วงล้ำเข้าไปได้รันคิดแล้วจึงรีบวิ่งเข้าไปใกล้ต้นไม้ที่เท่าชูชกขึ้นไปอาศัยอยู่เลยยกหน้าไม้โก่งขึ้นตะคอกขูว่า เจ้าพราหมณ์จันไรวันนี้ข้าจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าเพราะพวกเจ้ารบกวนหนอกริสับของข้าให้พระองค์พระราชทานคดชสารแก่พวกเจ้าแล้วถูกในประเทศทัดพระรจัดบ้านเมืองต้องพาพระโอรสธิดาและพระชายามาอยู่ในขาวงกตเจ้าก็ยังไม่ไายที่จะตามมารบกวนเพราะฉะนั้นคราวนี้แหละเจ้าจะต้องถึงแก่ความตาย ข้าจะยิงเจ้าด้วลูกศร อ, อันชุ่มด้วยยาพิษนี้แล้วตัดหัวเสียเชื่อเอาขั่วหัวใจไสพุงออกมาบูชายันเอาเลือดเนื้อของเจ้าบูชาเทพพยดาด้วยเหตุว่าการที่เจ้ามาในที่นี้ไม่ใช่มาดีเจ้าต้องมาด้วยมุ่งหมายจะไปทูลขอพระชายาหรือถนอน้อยกษัตราคือสองพระกุมารกุมารีเป็นแน่แท้ เมื่อเท่าทูชกได้ฟังคำต่อข้อขู่ของพรานเจตบุตรดังนี้แล้วก็สะดุ้งตกใจกลัวต่อความตายจึงคิดหาอุบายโกหกเอาตัวรอดแล้วจึงกล่าวหลอกลวงพรานเจตบุตรไปว่าดูก่อนเจตบุตรพรานไพรเจ้าจงฟังค่อยคำของเราธรรมดาพรามผู้เป็นทูตย่อมเป็นคนหาโทษได้ ไม่ควรที่ใครจะฆ่าตีอันนี้เป็นประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณก็ตัวเรานี้เป็นทูดของชาวเมืองสีพีคือพวกชาวสีพีต่างมีความยินดีทั่วกันในการที่จะให้พระเวสสันดรพระราชโอรสกระด็จ ก, กรับพระนครพระราชบิดาก็ทรงปรารถนาจะพบพระราชโอรสส่วนพระราชาารดาก็ชารามีแต่ความรันทด คิดถึงพระราชโอรสอยู่เป็นนิตยการถึงกับพระเนตรทั้งสองกองภูมิไปด้วยน้ำพระอัศุชนในตรงกันแตงร่ำให้ถึงพระราชโอรสจนไม่มีเวลาสัาง่งมีพระเนตรซ้ายขวาทุดโทรมตาชาวสีธีจึงใช้ให้เราเป็นทูดจำทูลพระราชสารเราจึงทาการอาสาออกมาอัญเชิญพระเวสสันดรบรมขัตติเยศ ให้เสด็จประเวศคืนกรับทนครดูก่อนเจ้าพรานเจตบุตรถ้าเจ้ารู้แห่งหนที่ประทับแล้วอย่านอนใจจงบอกทางแก่เราไปอย่าได้ช้าเจตบุตรพรานใครครั้นเมื่อได้ฟังถ้อยคำมุสาวาดของชูโชคชาติธุระผลดังนี้แล้วก็เกิดความเชื่อถือสำคัญว่าเป็นจริงจึงรีบจัดแจงผูกตุนักไว้ด้วยความดีใจ แล้วเชิญเท่าชูชกลงจากขาคบไม้มานั่งบนใบไม้ที่ปูลาดน้อมเต้าน้ํำผึ้งกับเนื้อย่างเข้าไปให้พรางกล่าวว่าถ้าแต่ท่านพระามผู้เป็นชูดที่โปรดปรานของหนอกระัตริย์ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านรับน้ํำผึ้งกับขาเนื้อตาหย่างอันนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะแถลงตำแหน่งที่อยู่แห่งพระนอกษัตราให้ท่านทราบตามความปรารถนาในการบัดนี้อาตมภาพรับประทานดิสัชนาแสดงพระสัรธรรมเทศนาในเวสันดรชาดกชูชกตันที่ห้าก็เห็นว่าพอสมควรเก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วจะได้แสดงจุดลพลตันที่หกสืบต่อไป